สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากเสียญพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องราวของการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าตอบเราเราได้รับอนุญาตจากพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเราพบว่าพระเจ้าอนุญาตครับแต่ไม่เกิดในยุคของเราไม่เกิดในส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่แต่เมื่อเราพ้นหน้าที่พ้นความรับผิดชอบไปแล้วพ้นตาแหน่งไปแล้ว สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้และอนุญาตและตอบคำอธิษฐานนั้นก็เกิดตามมาเมื่อวานนี้ได้พูดถึงประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดนะครับท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงได้เขียนไว้ว่าพอดาวิดรักพระเจ้าพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้ดาวิดได้มีโอกาสมีส่วนในการสร้างพระวิหารแต่ดาวิดนั้นปรารถนาที่จะสร้างพระวิหารเองพระเจ้าไม่อนุญาตการอนุญาตตรงนั้นก็เกิดขึ้นภายหลังครับ พระเจ้าให้ดาวิดแค่เป็นคนที่เตรียมของเตรียมวัสดุต่างๆเพื่อที่จะเตรียมสร้างครับได้แค่เตรียมแต่ว่าคนหนึ่งสร้างจริงๆก็คือกษัตริย์โซโลมอนพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของดาวิดครับแต่มีเวลาเป็นของพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าและการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นที่เราเริ่มต้นไว้จะสาเร็จที่อีกคนหนึ่ง เราควรจะให้ความร่วมมือการที่เราให้ความร่วมมือนั้นถือว่าเป็นการที่เราอิจฉาเราเห็นแก่ตัวและเราจะต้องจ่ายราคาก็คือบางครั้งบางคราวนั้นจะต้องทุ่มเทเสียสละแต่ว่าผลงานยังไม่เกิดเี่นรองครับแท้จริงแล้วเราต้องเข้าใจว่าเป็นภารกิจของพระเจ้านะครับเป็นภาชกิจของพระเจ้าไม่ใช่กิจของเราดังเองเราจรึงต้องทา เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อยกย่องตัวเองในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ของมารีกับมาธานะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นประสบการณ์ของดาวิดพระเจ้าอนุญาตว่าโอเคแต่คุณต้องรอครับยังไม่ถึงเวลาพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่5และข้อที่6ครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า พระเยซูทรงรักมาตาและน้องสาวของเธอและลาซลัสขั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซลัสป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวันมาตาและมารีได้ส่งคนไปทูลพระเยซูและแจ้งให้พระเยซูทราบว่าลาซลัสป่วยอยู่การส่งคนไปกราบทูลนั้นก็มีความหมายอย่างนี้นะครับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนขอพระองค์ทรง เอาพระไทยใส่สักนิดหนึง่งขอพระองค์ทรงรีบเสด็จมาพระองค์ทรงรับทราบครับและรับความคาดหวังของมาิมารีและมาทาแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงรีบเสด็จไปไม่ได้รีบเสด็จไปเท่าที่ควรดูเหมือนจะรังรออยู่เพื่ออะไรบางอย่าง มาทาและมารีนั้นอยู่ท่ามกลางกัน ร, รอคอยจิตใจของเธอทั้งสองคนก็ด้านหนึ่งก็เป็นห่วงกระบวนกระวายขาดความสงบสุขแล้วก็พัฒนาขึ้นมาค่อยๆกลายเป็นการบ่นต่อว่าจนกระทั่งลาซลัสตายพระเยซูจึงค่อยเสด็จมาครับเหมือนพระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐาน ทูนขอแต่แท้จริงแล้วพระองค์ตอบครับตอบเพื่อที่จะให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์การที่พระองค์ทรงยืดเวลาให้ช้าๆออกไปนั้นพรงค์เพื่อที่จะได้ประกอบกิจที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั่นก็คือการทำให้ลาซลัสเป็นขบีความตายก็คือการชุบชีวิตลาซลัสนั่นเองลาซลัสตายไป4วันนะครับ นั่นหมายความว่าตายจริงๆนะครับไม่ได้สลบหรือไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะครับถ้าเป็นศพจริงๆก็เหม็นอืดแล้วครับพระกัมภีรพูดอย่างนั้น mm. พี่นนท์ครับเราจะเห็นนะครับการเป็นขึ้นจากความตายซึ่งเป็นงานอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะได้ที่มนุษย์พึงจะได้ครับและด้วยเหตุ น, นี้เองทําให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีเวลาเป็นของพระองค์ครับ พระเจ้าอนุญาตแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายมากและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อเรารู้เรื่องนี้ก็จะทาให้เราสามารถรอคอยได้ครับอะไรที่เราทูลขอแล้วเป็นน้าไทยของพระเจ้าพระเจ้าตอบแน่ครับแต่บางครั้งยังไม่ถึงเวลาของพระองค์บางครั้งมันจะสำเร็จ เสร็จสิ้นในมือของคนอื่นก็เป็นไปได้ดังนั้นเองให้เราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและพร้อมยอมมอบถวายกายใจเพราะพระองค์ทรงมีเวลาของพระองค์และวิธีการของพระองค์ที่ดีกว่าครับพี่น้องครับผมจะสรุปในกฎข้อที่16ให้พี่น้องฟังเรื่องของการอธิษฐานแล้วจะได้รับคำตอบอย่างไรบ้าง คี่ครับท่านาศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านรวบรวมมาดีมากเลยครับผมขออนุญาตสรุปหลักการแห่งการอธิษฐานและกฎเกณฑ์ของการได้รับคำตอบ 1. พระเจ้าตอบว่าไม่อนุญาตแต่มีพระพรในการไม่อนุญาตครับตัวอย่างก็คือประสบการณ์ของท่านอักขฑูตเปาโลเรื่องนามใหญ่ในเนื้อของท่าน น้ำใหญ่นั่นเป็นทูตของซาตานท่านอาจารย์ปอโลนั้นอธิษฐานตลอดเวลาขอให้พระเจ้าเอาน้ำนั้นออกไปแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานครับพระเจ้าตอบว่าไม่อนุ ญ, ญาตแต่มีพระพรตามมาการมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิเดชของเราก็มีขึ้นเต็มขนาดที่นั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อริเดทของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องครับชัดเจนมากนะครับพระเจ้าตอบว่าโนแต่ในการที่พระเจ้าตอบโนนั้นเราได้รับพรครับพี่น้องครับพระเจ้าใช้การโจมตีของซาตานเพื่อให้น้ํมันไทยที่ดีของพระเจ้าสำเร็จริเดทของพระเจ้าจะสมบูรณ์มากขึ้นในคนที่อ่อนแอ ข้อลึกลับนี้ถ้าเรามีความเข้าใจชีวิตของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยความทุกข์ยากลำบากแต่เราจะมีความชื่นชมยินดีและความภาคภูมิใจครับ mm hmm. เมื่อดูเผินๆก็เหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานแต่ความเป็นจริงพระเจ้าได้ตอบในระดับชั้นที่สูงกว่า นั่นคือประสบการณ์ของท่านอาคัคุตูดเปาโลประสบการณ์ของวิลเลมแคร์รีท่านแขวนแผนที่โลกไว้ที่ผนังตรงหน้าห้องทำงานของท่านที่ทำรองเท้าแต่ท่านอธิษฐานทุกวันทุกวันวันและวันเล่าขอพระเจ้าส่งคนงานออกไปเหมือนพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานครับเพราะไม่มีใครยอมออกแต่สุดท้ายครับตัวเอง ก็คือท่านวิลเลียมแคร์รีนั้นกับตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้ากลายเป็นมิชเชนีที่มีความมีชีวิตสวยงามสีสันมากเลยทีเดียวแปลพระกัมพีให้ชาวอินเดียถึง3ภาษาตอบสนองต่อคนอินเดียเป็นหมื่นเป็นพันคนให้มีโอาการอ่านพระกัมภีร์นี่คือประสบการณ์ของวิลเลียมแคร์รีประสบการณ์ของพระเยซูครับ เมื่อพระเยซูอธิษฐานที่สวนเกสเซมินีพระเยซูได้รับคําตอบจากพระเจ้าพระบิดาว่าไม่แต่ได้รับพระพรการไม่ของพระบิดาต่อคําอธิษฐานของพระเยซูนั้นก็ทําให้มนุษยชาติได้รับพระพรจากการสิ้นมชนของพระองค์ประสบการณ์ของยาโคบครับยาโคบต่อสู้กับทูตของพระเจ้า ทูของพระเจ้าแต่ต้องเอ็นจะโภกของยาโคบยาโคบก็ต้องเดินขยโยกขยกยาโคบอธิษฐานแต่คำอธิษฐานก็ยังไม่ได้รับอนุญาตก็คือโ no น่ทำลายยังโดนทำลายอีกแต่ในความเป็นจริงยาโคบได้รับพระคุณมากมายจนได้ชื่อว่าอิสราเอลพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับเป็นชีวิตของ บรรพชนแห่งความเชื่อที่พระเจ้าตอบว่าไม่แต่เป็นพรครับกลายเป็นพระพรประการที่2ครับพระเจ้าตอบว่า yes ให้แต่ไม่เป็นพระพรแห้งแร้งฝ่ายจิตวิญญาณครับเสียหายครับพี่น้องอย่าลองดีกับพระเจ้าอย่าออกห่างจากพระเจ้าเลยครับ พระเจ้าตอบว่าเยสแต่ว่าเราขาดพระพรอิสราเอาลรับประทานมานานในถิ่นคร่อกันดานแต่ไม่พอใจก็บ่นต่อว่าพระเจ้าอยากจะกลับไปเป็นท่าที่อียิปพวกเขาขอน้าขอเนื้อจากพระเจ้าพระเจ้าประทานให้แต่กลับกระบฏกับพระเจ้ามั่นใจในความคิดของตัวเองยึดมั่นถือมั่นในตัวเองทูลขอแต่ เพื่อบำลงบำเลอตันหาของเนื้อนหนังความอ่อนแอของตัวเองพระเจ้าตอบ yes แต่ผลที่ความมาคือความเสียหายครับพระเจ้าอนุญาตเพื่อที่คุณจะมีประสบการณ์ความเสียหายความเจ็บปวดเองพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นนะครับในหลายลาครั้งทีเดียวพระเจ้าอนุญาตแต่ก็นำมาซึ่งความล้มเหลวครับตัวอย่างเช่นเฮเซคยา อธิษฐานขอพระเจ้ายืดอายุของเขาพระเจ้าก็เลยยืดอายุให้15ปีแต่ล้มเหลว15ปีนั้นกลับกลายเป็นจุดด่างพร้อยของชีวิตครับหายจากประชวรแล้วกลับมีชีวิตที่ล้มเหลวอีกนั่นคือประการที่สองครับพระเจ้าตอบว่าเยสแต่ผลไม่ดีประการที่3ครับพระเจ้า ให้เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้รับพระพรประสบการณ์ของดาวิดนะครับอธิษฐานเผื่อคนชั่วคนป่วยขมใจอธิษฐานอดอาหารเพื่อเขาแต่ปรากฏว่าท่านเขียนไว้ในสดีบทที่35มสบข้อ13บอกว่าทั้งหมดที่ข้าพงทูลขอนั้นได้กลับคืนมาที่จอกของข้าพระองค์โซโลโมอนก็เหมือนกันครับ อธิษฐานเพื่อประเทศชาติอธิษฐานเผื่อให้เขาปกครองบ้านเรือนบ้านเมืองได้ดีพระเจ้าก็ไว้ พ, พรณ์ตัวเขามีสติปัญญาครับพราอเขาไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวความมั่งคั่งหรือขอให้ชนะศัตรูแต่ขอสติปัญญาความเข้าใจเพื่อจะได้ตัวเองประจักษ์ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเห็นไหมครับพี่น้องสุดท้ายครับ ก็คือการได้รับอนุ ญ, ญาตเพื่ออนาคตขษัตร์ดาวิดผมได้อธิบายไปแล้วนะครับต้องการสร้างพระวิหารแต่ไปสำเร็จที่มือของโซโลมอนประสบการณ์ของนางมารีและมาทาพระเยซูรอจนกระทั่งพระเยซูสามารถทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าการรักษาคนเจ็บคนป่วยนั่นคือการเป็นขึ้นยากความตาย เพราะฉะนั้นมี4แบบของการตอบคำอธิษฐานครับ yes บัดไม่ไม่ดีไม่ได้พระพร no บัดได้พระพรแต่ว่าได้รับพระพรอธิษฐานเผื่อคนอื่นตัวเองได้พรได้รับอนุญาต yes แต่ไม่เกิดต้องคอยของพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน